ข้อความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทาั้นแ่หลวงปูุพุทธยานในวันนี้คงเป็นการตรอบปัญหาอีกเช่นเคยเธอถามว่าบางครั้งทะเลาะ ก, กับพ่อแม่แต่ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้พ่อแม่เสียใจจะแก้ไขาบาปกรรมที่ทำนี้ได้อย่างไรมันเป็นเรื่องการกระทบกระทั่งกันภายในครอบครัวในลักษณะของลิ่งกับฝัน เราเห็นว่าเป็นการกระทาที่ไม่เหมาะไม่ควรก็ไปกราบขอโทษพ่อแม่เขาคือลูกกับพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่นั้นท่านไม่ถือสาความเพราะความเยาความขรอความอ่อนดอยของลูกแต่การที่ลูกไปล่วงและเมิดต่อบุปกา ร, รีซึ่งเป็นพระอรหันต์ของตนเป็นพรหมของตนเป็นบุรพาจารย์ของตนเป็น นิดภายในเรือนของตนเป็นเทวดาภายในเรือนของตนเนี่ยมันก็ไม่เป็นสิริมงคลวันทางที่ดีที่สุดก็คือว่ายามใดที่ไปร่วงเกินท่านในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรก็ไปกราบขอกมาทุศท่านแลวตั้งใจํมรวมระวังต่อไปแล้วถ้าผิดอีกก็ต้องขอกมาโทษอีกมนุษย์เราเนีนมันอยู่ที่ว่าผิดแล้วต้องสานึกว่าเป็นความผิด และตั้งใจสำนวจระวังต่อไปแตกว่าผิดแล้วขาดความสำนึกหรือไม่ยอมรับว่าเป็นความผิดแล้วไม่ตั้งใจสำรวจระวังต่อไปเนี่ยมันก็ยากที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระ ก, การตรงนี้ผู้ยากทรงแสดงว่าคนที่ด่วงเกินคนอื่นแล้วสำนึกว่าเป็นความผิดแล้วขอขมาทโทษนั้นเป็นบัณฑิต แล้วคนที่คนอื่นเขาล่วงเกินแล้วเขาสํานึกผิดแล้วขอขมาโทษแล้วแล้วก็ให้อภัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นบัณฑิตมันก็เป็นภาระที่จะต้องแสดงออกให้เห็นเรืงความเป็นบัณฑิตของตนก็คือขอขมาลาโทษที่ล่วงเกินบุปการีเคยทะเลาะ ก, กับน้องจนน้องกินยาตาย อยากทราบว่าเราจะบาปหรือไม่ทราบบาปจะแก้ไขได้อย่างไรไม่ทราบตายหรือไม่ตายนะะกินจะตายเลี้งหน้าจะไม่ตายก็ได้แต่การทะเลาะเราไม่ได้เจตนาจะฆ่าน้องอาการฆ่าตัวตายเจตนาฆ่าตัวตายเป็นเรื่องของการกระทาของตัวเขาเองแต่ว่าเขาคงไม่ตายนะฮะ มันเป็นบทเรียนที่จะต้องจะหนักและสำรวมระวังเมื่อเรื่องอะไรก็ตามใหญมันรุนแรงเกินไปโดยเฉพาะภายในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเรียกว่าในวงวานว่านเครือเนื้อหนอนเนี่ยคือ ท, ทำยังไงว่าให้โอ้ออกใจกันพยายามอดกลั้นอดทนพยายามเข้าใจแล้วก็ประนีประนอมประสานประโยชน์กัน ไม่ควรจะใช้วิธีการรุนแรงแต่ว่าทะเลาะยังไงอะถึงน้องขนาดไปกินแดดตายเนี่ยจะแดงว่าน้องก็เป็นคนโม้ฉุนเฉียวมากเหมือนกันซึ่งก็ทำให้ต้องระวังมากระวังระวังมากยิ่งขึ้นว่าเออเด็กคนนี้ก็จิตใจเขารุนแรงเขาเครียดกลาเขารุนแรงก็อาจจะฆ่าตัวตายได้ เราก็อย่าเป็นเหตุให้เขาฆ่าตัวตายก็แล้วกันแต่ถ้าน้องตายไปแล้วเนี่ยก็คือตายไปแล้วนะเราไม่ได้เจตนาดูเราดูสรวจสอบดูจิตของเราเรามีเจตนาหรือเปล่าถ้าไม่เจตนาก็ไม่ถือว่าเป็นกรรมแต่ในฐานะเป็นน้องก็ทำบุญกุศลให้ไปแล้วเขาก็มาลาโทษกันไป เราไม่มีเจตานาไม่ต้องเอาโรกมาแบกไว้แล้วมันเรื่องทะเลาะ ก, กันมันเรื่องกับฟันมันเรื่องธรรมดาพี่กับน้องทะเลาะ ก, กันเป็นธรรมดาแต่อย่างนึกไปออกนะว่าทะเลาะยังไงมันแรงยังขนาดที่ฝ่ายหนึ่งจะไปกินจะตายเนี่ยก็ต่อไปถามว่าคนที่กําลังจะแต่งงานคนหนึ่งเกิดเสียชีวิตก่อนอย่าทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดอันนี้ไม่มีใครรู้นะคร หรือเราจะโยนกรรมเก่าไปหมดบางคงไม่ได้อายุสั้นอายุยืนเนี่ยมันเป็นกระบวนการของกรรมมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ได้หรืออาจจะเกี่ยวกันก็ได้บกคนอายุสั้นเนี่ยก็บอกว่ามันเกิดจากปาณาติบาตคือฆ่าสัตว์มาแล้วก็คนอายุยืนนั้นก็เพราะไม่ทําปานาติบาตในกรณีนี้เราก็ไม่รู้ว่าภูมิหลังเขา หรือว่าเขาจะไม่ใช่คู่ครองกันมันก็เป็นโหราศาสตร์ไปพู้แรวก็เป็นโหนไปก็สรุปว่ามันเป็นไปตามกรรมกักันเป็นกระบวนการของกรรมที่ชีวิตมันก็เป็นของมันดังนั้นเด็กจะแต่งงานแล้วไม่ได้แต่งแต่งแล้วแล้วก็ตายจากการที่ก็อยู่กันไม่ได้กี่วันมันมันเรื่องปกติธรรมดานะฮะ เราจะไปสาวเราต้องศึกษารายละเอียดพอสมควรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเหตุในอดีตเนี่ยนอกจากกรรมแล้วเราก็ไม่รู้คืออะไรเกิดแต่ผลกรรมอะไรบ้างทั้งที่คนทั้งที่คนที่เสียชีวิตจะอยู่ในวัยที่ทําคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้มากมายคนที่ตายไปเนะี่ะมันเยอะไปนะฮะคนที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาววัยเด็กวัยเล็กอะไรแต่อะไรมันเยอะไปมันตายทุกวัยธรรมดา ไม่ได้เกี่ยวว่าจะทำประโยชน์อะไรได้หรือไม่ได้เพราะชีวิตเราจึงต้องรับผิดชอบในปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แต่วันนี้ขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้ยทำให้ดีที่สุดกัแล้วกันถ้ามีเวลาชีวิตอยู่ได้นานมันก็ทำประโยชน์ได้นานขึ้นถ้าอยู่ไม่ได้นานชีวิตเราก็มีสาระแกน่นสารควรแก่การภาคภูมิใจ เพราะใการที่คนต้องพลัดพลาดเนี่ยมันเป็นคติธรรมดาที่พระเจ้าทรงสอนเราพิจารณาว่าเราจะต้องพลัดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอดไปการอยู่ร่วมกันก็เพื่อจะจากกันไม่จากกันวันนี้ก็ต้องจากวันต่อไปเราไม่จากเขาเขาก็จากเราเราแยกกันที่กรรม เร า, า จ, จะรวมกันที่กรรมเราอยู่อยู่กันด้วยกรมรมแล้วก็แยกกันที่กรรมแต่เรามาด้วยกรรมของเรานะโยดูอยู่ร่วมด้วยกรรมกรรมของเราเป็นหลักกรรมของคนอื่นก็เป็นปัจจัยเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันแต่ในที่สุดเราก็แยกไปตามกรรมใครมาอย่างไงก็ไปอย่างที่เขามาสิ่งที่ว่านําพาไปได้จริงๆก็คือบุญกับบาปเท่านั้นเองส่วนอย่างอื่นก็นําพาไปไม่ได้ ได้ยินมาว่าถ้าฝังลูกนิมิตได้เจดวัดภายในหนึ่งปีจะได้ไปเกิดบนสวรรค์จะเท็จจริงยังไงลูกเล่นเฉยคือทั้งบุญอะไรก็ตามนะฮะมันไม่จำเป็นจะต้องฝังลูกนิมิตหรอกทํมบุญทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งสวรรค์ทั้งนั้นจนะทำให้มมากไว้ การที่คนเราใช้ความขวนขวายฝังลูกนิมิตแต่งเจดวัดในปีเดียวเจดวัดในภายในหนึ่งปีนี่เขาเก่งไม่ใช่เล่นนะฮะคือวัดนี่มันฝังลูกนิมิตได้ครั้งเดียวแต่เด็วันหนึ่งวันหนึ่งฝังลูกนิมิตได้ครั้งเดียวแต่ก็สงสัยนะฮะมาอยู่กรุงเทพนี่สี่สิบกว่าปีแปีนี้เป็นปีที่สี่สิบเราไปบริเวณตรงเนี้ใกล้ๆรัตมีใกล้กรุงเทพ มีโฆษณาขวงลูกนี้มิดตลอดชั่วงนาตาปีแปลกจริงๆล้วก็อาจจะจันโอวัดจากไหนมาฝังลูกนีมิดกันนักหนาก็ไม่รู้แต่ที่จริงแล้ววัดเนี่ยขฝังลูกนีมิดได้วัดหนึ่งก็คราวเดียวตอนนั้นเองไม่ใช่ว่าฝังแล้วขุดฝังแล้วขุดเพื่อหาฝังลูกนีมิดฐานต่างกันเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ขวงแล้วฝังเลยนะฮะแล้วก็เป็นเช่นนั้นเขาเรียกว่าถึงน้ำรองแผ่นดินเะย หรือไม่เปล่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงปณิพระเราเวลาจะสร้างโบสถ์ที่ไหนเนี่ยต้องสวดถอนเดี๋ยก่อนคือถือว่าอาจจะเป็นโบสถ์มาก่อนเราก็ไม่รู้ว่าโลกมันเป็นยังไงไม่รู้าอาจจะเป็นโบสถ์มาก่อนก็สวดถอนเดี๋ยก่อนคือถ้าทําได้เนี่ยมันก็เป็นได้แต่ว่าไม่จะทำเระหยักไปสวรรค์ บางทีมันก็สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการทำมาหากินของคนทัง้งหลายแต่บุญเป็นเหตุแห่งเกิดสุคติจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้เจาะจงบุญอย่างใดอย่างหนึง่งคือมันขึ้นอยู่กับคุณภาพของจิตที่สามารถลดละกิเลสลงไปได้มากๆเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งสวรรค์ด้วยกันทนั้น การฝังลูกนิมิตก็เป็นหนึ่งในเหตุแห่งสวรรค์ทั้งหลายไม่ใช่ระฝังลูกนิมิตเจดวัดเท่านั้นนะฮะถึงจะบังเกิดในสวรรค์ไอ้กี่ปีก็ได้จริงอนะ่ะกี่ปีก็ได้ฝังลูกนิมิตเนะี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องหนึ่งปีเจ็ดวัดหรอกอย่างนั้นมันสิ้นเปลืองเงินทองมากไปต้องไปตลอนตลอนตลอนไปหาวัดเพืฝังลูกนิมิตต้องการบังเกิดในสวรรค์มันก็ มันก็ตีตัวรถไฟเนะี่ยหรือเป็นการลงทุนประหวังผลกำไรไม่ได้มองในแง่บุญเท่าไร่่อ่อไปถามว่าการทำบุญโดยการขวางลูกมิมิดถวายพระไตรจีวรบาตรหรือเป็นเจาภาพปวดพระตลอดจนซื้อกระเบื้องมุงหลังคาบริจาคที่ดินเป็นต้นเกิดชาติหน้าผลที่ได้จะทำให้มีที่อยู่เป็นความจริงหรือไม่ อันนี้มันใช่นะฮะคือการให้ที่อยู่อาศัยนี่ที่ว่าให้ทุกอย่างคือคือบุญเนี่ยมันมันไม่ใช่ตรงตัวเสมอไปก็เรียกว่าให้อิทธิลที่ตนต้องการพวกนี้เป็นเรื่องของฐานที่ถามเนี่ยเป็นเรื่องของฐานบางอย่างก็เป็นเรื่องใหญ่ๆนะฮะเช่น อะไรล่ะบริจาคที่ดินหรือบวชนาคเนี่ยเป็นเสื้อผ้านาคอย่างเงี้ยเรื่องใหญ่ๆบริจาคที่ดินให้ ท, ที่อยู่อาศัยใช่ ว, ว่าให้ทุกอย่างพวกนี้มันมั น, ม, นมันเป็นพวกทานาไมนะฮะเป็นพวกทานาไมยเป็นหลักก็เรียกว่าทานามไมเนี่เป็นหลักก็บริจาควัตมัยตรงแสดงถึงเหตุผลเอาไว้ว่า การให้ข้าวน้ำเป็นการให้กำมังการให้เสื้อผ้าเป็นการให้ผิวพรรณการให้ยานบ้านนาเป็นการให้ความสุขการให้ประทีปเป็นการให้แสงสว่างการให้ที่อยู่อาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างการให้ธรรมะชื่อว่าให้สิ่งที่ไม่ตายก็มีผลนิพนธ์กันขึ้นไปตามลาดับนะฮะตามลำดับเพราะงั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นทางแห่งสวรรค์ได้เท่านั้น ต่อไปถามว่ากรณีที่มีบันทึกและเล่ากันว่าพระบางรูปรู้ถึงวันเวลาที่ท่านจะมรณภาพนั้นเป็นความจริงเพียงใดและเป็นไปได้อย่างไงอันนี้ธรรมดานะ ค, คือตามปกติคนจะตายเนี่ยบันจนาค า, านพุทธภาถูกเสวะอาทิตย์ฮะมันใกล้วันเกิดหลังวันเกิดหรือหน้าวันเกิด องค์อาจารย์บังคานพูดนะนะทีนี้บางองค์นี้ท่านก็รู้แต่ว่ารู้มันก็แก้ไขอะไรหรอรู้ก็ดีเลเรีบเร่งทําความดีแล้วก็ไปชาวบ้านก็มีนะฮะชาวบ้านก็มีหลวงพ่อบางองค์นี่ท่านบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปแล้วนะนั่งสบายสบายอย่างเนี้เยเสร็จแล้วท่านก็ไปได้ คือมันมีอตีตังสอามนาคตังสยาม น, นะไม่ยานในอนาคตบางทีก็เป็นลางเป็นสังหรอนอะไรเกิดขึ้นภายในใจของท่านท่านไม่ชัดเจนอะไรอะไรแตบ่บางอย่างท่านชัดเจนนะฮะแต่ว่าคนระดับนี้ก็ไม่กลัวตายเลยนะฮะตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้มีอะไรตายก็คือตายแต่นั่นเองมันสมมติว่าตายมันไม่ใช่ตายจริง ตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดแต่ไม่ไมีอะไรเนี่ยตายเกิดตายเกิดตอนก็รู้ล่วงหน้านะก็มีอยู่เยอะบงงก็เรียกอะไรมาสั่งเสียสั่งสอนองก็นั่งตายเอาก็มีอะไรแต่ไหก็มีก็มีเยอะไปฮนะเรื่องอะไเนี้ยก็ต่อไปถามว่าการบูชาไหว้พระพุทธ ร, รูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย กระทำตามแบบใดจึงจะถูกต้องระวงังจุดทุบเทียนพร้อมกับดอกไม้ประนุมไว้ในมือและสวดมนต์ตลอดจนธิฐานจิตเสร็จแล้วนำสิ่งของทั้งหมดไปไหวในพัชนะที่จัดไว้มันเป็นเรื่องของความนิยมไอแบบนี้ชาวบ้านก็ทำกันโดยทั่วไปชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านถ้าชาวบ้านเนี่ยก็จะทำแบบนี้กันโดยทั่วไป ทีนี้จุดธูปเทียนเข้าแล้วนําธูปเทียนไปปักในภาชนะพร้อมกับนําดอกไม้ไปปักไว้ในแจกันก่อนจึงมาสวดมนต์อธิษฐานจิตอันนี้เป็นรูปแบบสากลคือ ท, ทั่วไปเป็นพิธีกรรมที่ถูกต้องอนะแต่ถูกต้องทั้งคู่นั่นแหละอย่าไปติดใจเลยคือสรุปว่าศาสนาพิธีเนี่ยทํำยังไงก็ทําเถอะไม่ต้องไปวิตกกังวลมันไปสนใจหรอกเจตนาใหญ่มันอยู่ที่การบูชาแต่นั้นเอง เราเจตนาจะบูชาก็คือบูชาไปแล้ว น, นั่นเองมันไม่ว่าต้องทําแบบนั้นแบบนี้อะไรแต่อะไมันไม่มีแบบหรอกว่ากันตามความจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้องถิ่นก็นิยมกันกระทํากั น, กนแล้วก็ขีดเขียนกันสังคมไทยเราในส่วนมากก็เอาแบบสํานักราชวังเอาแบบของกรมการศาสน า, าแบบของคณะสงฆ์อะไรตอนนี้สองสามแบบเนี่ยใช้กันเนี่ยหรือมี ก็แล้วแต่ว่าใครจะเขียนหนังสือเผยแพร่ก็ไปได้มากเท่าไหร่แต่ว่าความนิยมของท้องถิ่นแต่และท้องถิ่นเนี่ยมันก็ต่างกันออกไปวันสรุปประมยังไงก็ทำอะไรไปเถอะอย่าไปติดใจอย่าไปเดือดร้อนวุ่นวายกับเรื่องเหล่านี้เพราะว่าไม่ใช่เนื้อหาสาระที่แท้จริงสาระที่แท้จริงก็คือการได้บูชาต่อพระรัตนตรัยนะฮะบูชาอ ย, ย่างไงก็ได้ เราถือว่าก็ได้นะฮแต่ถ้าเราดูในแนวทั่วๆไปนะฮะแนวเช่นเวียนเทียนต่างๆเนี่ยมาเข้าบิสาขาอาสาหะมันก็ถือดอกไม้ทุกเทียนไปก่อนบูชาไปก่อนแล้วก็บูชาเสร็จเ้าก็นำไปปักแล้วก็ก่าว แต่ถ้าพิธีนี่เป็นพิธีรีตองจริงๆนะฮะก็คือแบบพคกขอและความจัดดอกไม้ทูกเทียนในแต่ละเศษแล้วก็จุดทูกเทียนแล้วก็ทำพิธีสักการะบูชากกันการประนมมือกับไม่ประนมมือฟังพระสวดมนต์ทำหนังไหนจึงจะได้บุญคือโดยหลักการปฏิบัติเนี่ยพระเราเวลามี การสวดปฏิโมกข์หรือมีการเทศเราจะนั่งพนมมือไหวแต่ไม่ใช่ว้คนเทศไม่ได้ว่าคนสวดนะฮะไหวเสียงของธรรมาทิเทศแสดงความเคารพต่อพระธรรมต่อพระวิ น, นัยหรือพระทันสดวดเพื่อนทางที่ดีแล้วควรจะนั่งพนมมือแสดงความเคารพแต่ถ้าหากว่า ไม่พนมมือจะนั่งสมาธินั่งหลับตาฟังให้เกิดความสงบก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรทเมื่ยนะฮะแต่ว่าที่จริงเราควรควรควรจะขยันหน่อยควรจะนั่งพนมมือตลอดระยะเวลาที่ท่านสวดถูกเป็นการแสดงความเคารพเป็นความสวยงามอย่างหนึ่งนะฮะเป็นจารีตที่สวยงามเราเห็นว่าอย่างนี้ชนบทท้องถิ่นต่างจังหวัดนี่นจะสวย ยาดโยมเนี่ยจะสวยมากเลยแต่บางแห่งเนี่ยจะภาพในที่บางแห่งเขาไม่ไปไม่ไม่ไปวุ่นวายอะไรเลยนะครับพอถึงเวลาพระสุดมุนแนละ้วะขจะอยู่กัะตรงนี้แต่บางแห่งเนี่ยพอมาจุดทุกเทียนอะไรตระไลรเน่าหน่อยแล้วก็ไปหายไปไหนไม่รู้อันนี้ไม่เคยเป็นมงคลเลยนะ คือเขามาสวดเพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ตนเองแล้วเจ้าของงานเนี่ยไม่ยอมรับอะไรเลยไปเที่ยวเล่นในที่ไหนก็ไม่รู้มันก็เกิดเป็นสิริมงคลขึ้นมาไม่ได้การสวดมนต์คำสวดที่เหมือนกันทำไมจึงต้องสวดซ้ากันถึงสามครั้งสองครั้งสามครั้งส่วนใหญ่เนี่ยสามครั้งก็มัน บทสวดอย่างหนึ่งเนี่ยนะบทสวดอย่างหนึ่ง น, นะง น, งนี่ในพระสูตรเนี่ยคือพระพุทธเจ้าทรงสแสดงเรื่องเนี่ยจะแสดงซ้ําๆประสมัยนั้นไม่มีหนังสือนังหาอะไรถ้าแสดงปล่อยไปเลยมันก็จับจับหลักไม่ค่อยได้จับหลักไม่ค่อยทันควรแสดงซ้ําๆโดยคนจับประเด็นได้เพราะงั้นเราจึงเห็นบทสวดต่างๆแตมนนะ่มันจะมีเปลี่ยนนะมันจะมีเปลี่ยนก็มันยกเว้นแต่นโมแต่นั้นเอง ทั้งนั้นเราเขาจะเปลี่ยนทางนั้นเนี่ยเปลี่ยนมากหรือเปลี่ยนน้อยเห็นพุกทางตางรังสังคังเนี่ยเราก็เห็นสามครั้งจริงเแต่ต่อไปทุติยมปีติติยมปีติหรือวิปติปฏิภาหายะอย่างเนี้ยมันก็เหมือนกันทุกคำจริงแหละแต่ว่ามันมันต่างกันที่ทุกภัยโรคสรรภาพทุกขวินาสายาสรรภาพวะยวินาสายาสรรภาวโลกาวินาสายะอย่างเงี้ยมันก็มีจุดที่ต่างกัน หรือว่ า, มาหมาการุนิโกเนี่ยอัฐายาหิตายาสุขายะมันต่างกันตรงนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันทุกคำหรอกหรือแม้แต่บทสวดยอบยาวเช่นว่าสวดวัตุเนี่ยเช่นเช่นว่ารู ป, ปังไอนิจังเวทนานิจารอะไรอะไรอะไรเออมันก็มันก็โครงสร้างมันเหมือนกันแต่ตัวหนึ่งเป็นรูปตัวหนึ่งเป็นเวทนาตัวหนึ่งเป็นสัญญาตัวหนึ่งเป็นสงขายตัวหนึ่งเป็นวิญญาณอ่ะก็แสดงว่าต่างกัน ต้องตั้งใจขวางให้ดีนะฮะคือคือไม่ใช่เหมือนกันทุกตัวอักษรมันมีจุดที่ต่างกันเว้นไห้แต่น้ำโมเท่านั้นสามครั้งเนี่ยน้ำโมสามจบเนี่ยคือมีคนเขาเล่าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีสามประเภทคือมีศรัทธาทิกะมีปัญญาทิกะมีวิทยาทิกะแล้วก็สวด จบแรกในถวายบูยชาพระธธพุทธเจ้าประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งก็สามประเภทก็รวมแล้วสามครั้งก็ต่างคนต่างอธิบายนะฮะเรื่องจริงๆเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ว่านโมนีม่เป็นเรื่องมาตั้งแต่โบราณทัก็สวดทั้งก็กล่าวสรรเสริญกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ การทำบุญหรือการถวายสังฆทานมีผู้กล่าวว่าบุญจะถึงผู้ตายมากที่สูจนกว่าการทำบุญโดวยวิธีอื่นจริงหรือไม่และเป็นเพราะเหตุอะไรคือสังฆทานเนี่ยมันเป็นทานที่คนถวายไม่เลยเจาะจงพระคือจิตใจไม่มีความลำเอียงเพราะันเราจะเห็นว่าโดยปัญญาก็เด่นนะบเพราะโดยความสุจก็เด่น ด้วยความเมตตากรุณาในกเติเจะทำให้คนที่ถวายทานเนี่ยคนที่ถวายทานเขาก็ได้บุญมากแต่ว่าอการจะถึงผู้ตายเนี่ยมันไม่ใช่เจาะจงเรื่องสังฆทานอย่างเดียวบุญยเยอะไปนะฮะบุญทุกชนิดนั่นแหละแต่ถ้าพูดถึงระดับทานด้วยกันนะระดับทานด้วยกันเนี่ยสังฆทานเาก็มีบุญมากกว่าเพียร ปรเหตุผลนั่นที่กล่าวแล้วนะฮะคือตามปกติแล้วจิตใจของเรานั้นมีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาแต่มีคนคนหนึ่งสามารถทําโดยไม่มีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาเนี่ยแล้วก็มองพระเป็นภาพรวมเป็นองค์รวมว่าก็คือพระก็คือพระแต่นั่นเองก็ทาให้ทําให้ท่าน ได้มีใจเนี่ยมีใจสงบสูงขึ้นนะฮะมีความสว่างสูงขึ้นแล้วกายวาจาใจกายวาจาทั้งก็สะอาดสูงขึ้นก็ทำให้กลายเป็นบุญที่มากสังฆทานเนี่ยเรานิมนต์ไปเลยนะฮนิมนต์ไปเลยแล้วพระก็จับใครมาให้ก็ได้จิตใจเราต้องดีด้วยนะฮะจิตใจต้องดีด้วยมันมีองค์ประกอบเป็นเยอะต้องฟังอะไร รธธ่มโมโยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้ที่เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอก ง, งามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ขังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี